ลไปหาเรื่องศีลเรานะศีละมยายาญาณในหน้าสิบสองช่วงนี้เรากล่าวถึงศีลประเภทปัจจกะนะปัจจกะคือหมวดห้ากล่าวถึงปหานะเวรมณีเจตนาสังวรและอวีติกมะเห็นในศีลทั้งห้าอย่างนั้น เป็นกุศลธรรมที่เวน้นเะนี่ยนะกุศลธรรมที่ละกุศลธรรมที่เป็นค่าศึกกุศลธรรมที่สังวรสัมรวมกุศลธรรมที่ไม่ล่วงละเมิดในอกุศลกรรมบททั้ง10ประการเมื่อวานกล่าวไปเฉพาะข้อเดียวคือปาณาติบาสถ้าเราเข้าใจปาณาติบาตสถ้าอย่างเดียวนะอย่างอื่นสบายมากผ่านสอบผ่านหมดเลยถ้าเข้าใจนะทำไมเข้าใจแสดงว่าตกหมดเลย ทีนี้ว่าต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอธินนาทานเนี่ยนะจะมีข้อความที่เป็นปยานใหญ่เอาไว้นะเช่นปหานะการละอธินาทานก็เป็นศีล <c oughs> <c oughs> เวรมณีการเว้นจากอธินาทานก็เป็นศีล <c oughs> เจตนาที่เป็นฆ่าศึกต่ออธินาทานก็เป็นศีล <c oughs> สังวรเนี่ยนะความสำรวมอธินาทานก็เป็นศีล อวีติกมะการไม่ละเมิดอาทินนาทานก็เป็นศีลใครอยากรักษาศีลให้เยอะๆก็เอาธรรมะเหล่านี้ไปใส่ก็เยอะเองใช่ไหมกุศลกรรมบทสิบคูณห้าเท่ากับห้าสิบเลยโอ้โหเยอะขึ้นนะนะกุกแจเนี่ยเยอะแล้วไม่ต้องกลัวบันน้อยหนะึ่งสองสามสี่น้อยจังเอานี้ไปห้าสิบเลยสมาทานรักษาห้าสิบข้อเลยทีนี้ไปว่าปหานะการละ กาเมสุมิจฉาจาร์ก็เป็นศีลเนี่ยนะเวรมณีการงดเว้นจากการเมสุมิจฉาจารก็เป็นศีลเจตนาที่เป็นค่าศึกต่อการเมสุมิจฉาจาร์ก็เป็นศีลสังวรหรือสำรวมการเมสุมิจฉาจาร์ก็เป็นศีลความไม่ล่วงละเมิดเนี่ยนะอวีติกรมะต่อการเมสุมิจฉาจาร์ก็เป็นศีลเนี่ยนะนี่ถ้ามุสาวาตเป็นยังไงการละ มุสาวาทก็เป็นศีลปหาะเนี่ยนะละมุสาวาทเลยเวรมณีการเว้นจากมุสาวาทก็เป็นศีลเจตนาที่เป็นค่าศึกต่อมุสาวาทก็เป็นศีลความสำรวมหรือว่าสังวรต่อมุสาวาทก็เป็นศีลอวีติกมะการไม่ล่วงละเมิดต่อมุสาวาทก็เป็นศีล ไปปิสุนาวาจาก็เหมือนกันนะการละปิสุนาวาจาคือเวละการส่อเสียดเนี่ยนะก็เป็นศีลเว้นจากปิสุนาวาจาคือคําพูดส่อเสียดอันนี้ก็เป็นศีลเจตนาที่เป็นค่าศึกต่อการส่อเสียดเนี่ยนะก็เป็นศีลสังวรสํารวมจากการส่อเสียดก็เป็นศีลความไม่ล่วงละเมิดต่อ การส่อเสียดเนี่ยนะก็เป็นศีลหรือว่าปิสุณาวาจาปิสุณาวาจาก็คือการนินทาว่าร้ายคนอื่นปิสุณาวาจานั้นการกล่าวเนี่ยนะมีความประสงค์สองอย่างนะคนที่พูดสอเสียดเนี่ยนะมีความประสงค์สองอย่างคือหนึ่งเห <c oughs> ตุผลที่ว่าร้ายคนอื่นนะส่อเสียดคือการว่าร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะนะประสงค์ให้ คนที่เราว่าร้ายเนี่ยเขาแตกแยกจากคนที่เขากําลังฟังอยู่ยกตัวอย่างนี่ขอมาเนี่ยสมมุตินะว่าร้ายผู้การธนัดต่อกับผู้การธงชัยเนี่ยถ้าพูดถึงความไม่ดีของผู้การธนัดนะเหตุผลสองอย่าง1ให้สองคนนี้แตกกันนะสองเมื่อเราเอาความไม่ดีเข้ามาพูดมากๆแล้วผู้การธงชายก็จะชอบอาตมามากขึ้นถ้าลักษณะนี้เรียกว่าปิสุนาวาจาหรือเรียกว่าส่อเสียดเนี่ยนะ นี้ถ้าหากว่าเจตนาที่ละต่อพุทสวาจเจ น, นะคำพูดคำหยาบเนี่ยนะพูดคำหยาบนี่เป็นยังไง น, นะก็คือพูดด่ากระทบอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองเนี่ยนะหรือว่าความงดเว้นจากพุทสวาจาเจตนาที่เป็นค่าศึกต่อพุทสวาจา ความสำรวมต่อพุ้สวาจาอวีติกมะไม่ล่วงละเมิด Pad. พุ้สวาจาเนี่ยนะแต่ละอยา่างแต่ละอย่าง ก, ก็เป็นศีลทั้งนั้นเลยเแต่ทีนี้ที่น่าสนใจมากคือสัมผัสปลาปะการละสัมผัสปลาปะก็เป็นศีลเวลรัมณีคือการงดเว้นจากสัมผัสปลาปะก็เป็นศีลเจตนาที่เป็นฆ่าศึกต่อสัมผัสปลาปะก็เป็นศีลสังวร คือสำรวมสัมผัสปลาปะก็เป็นศีลแล้วก็อวีติกมะความไม่ล่วงละเมิดต่อสัมผัสปลาปะก็เป็นศีลเหทีนี้ถ้าหากว่ากุศลธรรมเหล่านี้นะเราเอามาทบทวนมาสาธยายมาคร้ครวนมากๆอันนี้กุศลศีลเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นบ่ายแต่ถ้าไม่ไม่เคยสาธยายไม่เคยทบทวนไม่เคยเอามาตรึกเลย กุศลธรรมเหล่านี้ก็ไม่เกิดนะถ้าค่อยคหมั่นดูว่าเออหนึ่งอารมณ์นี่นะก็ให้ทําปานาติบาตได้ไหม ย, ยกตัวอย่างว่าถ้ามีสัตว์เป็นอารมณ์นี่นะสัตว์ทั้งโลกนี่เป็นอารมณ์ของปาน า, าติบาได้หมดเลยสามารถเป็นอารมณ์ของปาน า, าติบาได้เมื่อสามารถเป็นอารมณ์ของปานาติบาได้ก็เท่ากับว่าเป็นอารมณ์ของปารานะศีลได้เห็นไหมเป็นอารมณ์ของ เวระมณีศีลได้เป็นอารมณ์ของเจตนาศีลได้เป็นอารมณ์ของสังวรศีลได้เป็นอารมณ์ของอวีติกมะศีลได้ทีนี้วัตถุทั้งหมดเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของการประพฤติอธินาทานได้ไหมวัตถุทั่วไปเนี่ยนะอย่างเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโพธภาษธมารมเนี่ยนะพูดเชิงประมัดนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธัมมารมเนะี่ย ก่อให้เกิดอาทินนาทานได้ไหมอย่างนกยังไงมันร้องได้ไหมเออขโมยไปร้องที่บ้านเลยเอาไปขังไว้บ้านเลยกันนี้เมื่อแต่ละอย่างเป็นอารมณ์ของศีลนะก็เป็นอารมณ์ของการงดเว้นเป็นอารมณ์ของการละเนี่ยนะแต่ว่าพวกนี้ต้องเอาไปตรึกบ่อยๆนะแล้วจะเห็นว่ากุศลธรรมเหล่านี้สามารถเกิดได้หนาแนนะ่นจริงๆ แล้วสา ม, มารถเจริญได้มากทําได้มากกว่าทานกุศลเนี่ยนะศีลกุศลนี่มีผลมากมีอานิสงสมากกว่าทานักกุศลมากมายมหาศาลนะบางคนก็บอกเอ๊ะทานกุศลเนี่ยเสียเงินเสียทองไปใช่ไหมเสียข้าวของเป็นต้นเนี่ยนะแล้วได้บุญเขวาว่างานแต่พอศีลกุศลเนี่ยนะก็ไม่เห็นทําอะไรเลยทําไมได้บุญเยอะจังเห็นไหมเคยเคยสังเกตนหเขาบอกว่าคนที่ถวายสังฆทานแล้วนะ ถวายสังฆทานหรือว่าถวายเสนาสนะให้แก่สง์ที่มาจากทิศทั้งสีเนี่ยนะก็มีอนิสงส์ไม่เท่าศีลศนะีลเนี่ยมีอนิสงส์มากกว่าเขาเข้าก็ยกว่าเจตนาที่งดเว้นจากปาณาติบาจากอาทินาทานการมิสุมิฉาจารปิสุนาวาจาพุทธวาจาเนี่ยมีอนิสงสนะ์มากกว่าเนี่ยนะมากกว่าการถวายเสนาสนะให้แก่สง์ที่มาจากทิศทั้งสี่เนี่ยนะ แต่ถ้าดูในหน้าสิบเลยจะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมจึงเมียนิสงมากใช่ไหมย้อนทบทวนไปที่หน้าสิบจจะเห็นว่าเออที่เขาบอกว่าการที่เราทั้งหลายเนี่ยนะสมาทานหรือว่ารักษาศีลเนี่ยนะไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยมีผลมากเมียนิสง์มากกว่าการถวายเสยนาสนะเป็นทานให้แก่สงที่มาจากที่ทั้งสีก็จะไม่แปลกใจเลยเพราะบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเป็นไปเพื่อ เนปาลนะเน่ในหน้าทิพสองนะครับเรื่องวจีทุจริตนี่คำบนคำจู้จี้นี่เป็นอยู่ในประเภทไหนครับสัมผัสปลาป ะ, ปะพวกนี้เป็นสัมผัสปลาป ะ, ปะเพราะว่าสัมผัสปลาป ะ, ป ะ, ปะนั้นมีสมุดฐานจากโทสะก็ได้เนไห สัมผัสปลาปะนี่มีมูลเท่าไหร่คุณดานนีเดมมกกวเดิมมาสองฮะโลภ้ากับโบ้ค่ะโบ้ค่ะแล้วก็มูลสามนั่นแหละคือสรุปนะ <c oughs> แต่มันเกิดทีละสองอเพราะฉะนั้นพูดด้วยโทสะก็เป็นสัมผัสปลาปะพูดด้วยโลภ้าก็เป็นสัมผัสปลาปะคำพูดที่เป็นสัมผัสปลาปะนะคือคำพูดที่ไม่มีสังวรวินัยอะ คำพูดที่ไม่มีปหานวินยัยคำพูดลักษณะนั้นเรียกว่าสัมผัสปลาปะผูอะไรก็ได้เนี่ยนะฟังน้ำเสียงเพาะพิ้งเลยแหละแต่ว่านั่นคือสัมผัสปลาปะถ้าพูดจากโลภาเป็นสมุทฐานหรือโทสะเป็นสมุทฐานเพราะฉะนั้นพระนนาคา ม, มีท่านยังมีสัมผัสปลาปะเพราะขณะไหนที่พูดด้วยโลภาก็ชื่อว่าสัมผัสปลาปะนะหรือว่าพูดด้วยโทสะก็เป็นสัมผัสปลาปะคือไม่ประสงค์จะด่านะ คือแต่ถ้าเป็นด่ากระทบไปเลยอันนี้เป็นพุทธสวาัจาถ้าเป็นด่ากระทบไปเลยนะคือประสงค์จะด่ากระทบผิวพรรณกระทบหน้าตากระทบวิทยาฐานะความรู้ศิลปะกระทบโคตรกระทบตระกูลกระทบชาตินะคำพูดด่ากระทบลักษณะนั้นเป็นทุทสวาัจาไปเลย แต่ถ้าพูดประสงค์จะหยอกเย้าบ่นไปว่าไปสนุกไปขำไปหรือโทสะจริงๆนั่นแหละแต่ก็ว่าบ่นไปเรื่อยพวกนี้เป็นสัมผัสปลาปะเป็นคำพูดที่ไม่มีสังวรวินัยเป็นคำพูดที่ไม่ใช่ปหาณวินัยคำพูดที่ไม่มีปหาณไม่มีสังวรแบบนี้เรียกว่าสัมผัสปลาปะเนี่ยนะคือถ้าด่าไปด้วยบ่นไปด้วยก็ควบกันไป คือในขณะเดียวกันนี้สัตว์ทั้งหลายสามารถทํากรรมสามารถสลับกันได้ทั้งหลายอย่างไหมพร้อมๆกันเนี่ยนะบางคนทั้งพุทธวาจาด้วยทั้งปานาธิบาตด้วยในขณะเดียวกันคือคือสลับกันกับพุทวาจาด้วยพยาบาทด้วยเนี่ยนะอย่างเช่ น, นเราเห็นภาพบางอย่างเนี่ยนะทั้งด่าทั้งฆ่าด้วยนะเช่นฆ่ามดกับฆ่าไปมือก็ตบไปปากก็ด่าไปอยนะ พยาบาทก็เกิดขึ้นแช่งชักหักกระดูกให้ตายให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งหลายเรื่องคือในใ น, ในกิจกรรมเดียวเนี่ยนะสามารถทําบาปได้ตั้งหลายข้อก็ยกตัวอย่างบุญงานเดียวยังสามารถทําำให้ทานด้วยสมาทานศีลด้วยฟังธรรมด้วยสนธนาธรรมด้วยเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาควบได้ตั้งหลายอย่างใช่ไหมบาปนี่ก็เหมือนกันสามารถในในที่เดียวในสถานที่เดียวเนี่ยสามารถเป็นบาปได้หลายอย่างด้วยกันเห็นไหม เพราะฉะนั้นการการบน่นการจิ้วจีนี่เป็นวาจีทุจริตนะไม่ใช่บุญนะไม่ใช่บุญเน่นหน่อยตรงนี้และไอตอนท้ายเนี่ยถครไอยานใหญ่นี่มันอะไรครับทุเส้นแ้วต้องมีอีกเยอะเลยเนี่ยปยานใหญ่ก็คือหน้าสิบหน้าสิบเอดทั้งหมดนั่นแหละทุกปยานนะก็คือดึงข้อความในหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดไปใส่ทั้งหมดเลยถ้าพิมพ์ไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากอ่านาประหานะ การละอาทินนาทานเป็นศีลก็เปิดไปหน้าสิบใหม่แล้วก็เวรมณีการเว้นจากอาทินนาทานเป็นศีลเจตนาที่เป็นฆ่าศึกต่ออาทินนาทานเป็นศีลสังวรความสำรวมต่ออาทินนาทานเป็นศีลอวีติกามะการไม่ล่วงละเมิดอาทินนาทานเป็นศีลศีลเห็นปานีย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิตย่อมเป็นไปเพื่อความปราโมทย่อมเป็นไปเพื่อปีติย่อมเป็นไปเพื่อปัสสะเทิ ก็ว่าไปเรื่อยจนถึงหน้าสิบเอนั่นแหละจนถึงเมื่อเจริญธรรมะที่ควรเจริญก็ชื่อว่าศึกษาเนี่ยนะนะเพราะทุกคำเนี่ยนะสาธยายได้หมดเลยนะว่าได้สักหน้าสองหน้าที่แล้วก็สาธยายได้เป็นวันๆเลยนะแต่ว่าเนื้อหาคนละเรื่องเลยนะแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันเพราะว่าอย่าลืมว่าคำภีร์นี้เป็นคําชื่อคัมภีร์ว่าปฏิสัมพิทาเนี่ยนะ เชื่อว่าคมภีปฏิสัมพิทามักปฏิสัมพิธามักเนี่ยแปลว่าหนทางมักเนี่ยแปลว่าทางหรืออุบายปฏิสัมพิธานี่ยเปัญญาเป็นเครื่องแตกฉานนั้นคมภีที่เป็นอุบายหรือว่าเป็นทางที่ทาให้ถึงความแตกฉานเรียกว่าปฏิสัมพิธามักจากโครงสร้างอันนี้เนี่ยอเอาไปเป็นโครงสร้างในการตรึกได้มากมายมหาศาลโอ้ใช้เวลาเป็นปีๆก็ตรึกไม่จบไม่สิ้นะเไห ไปไข้ครวนไม่มีจบมีสิ้นเลยทัานพระสารีบุตรถึงเรียกกับปัญญาของท่านเหมือนกับว่าคํานวณ น, น้ําฝนได้ปัญญาที่สามารถคํานวณ น, น้ําฝนคํานวณทรายในมหาสมุทรได้ท่านมีปัญญาขนาดนั้นเนื่องจากท่านมองภาพเป็นโครงสร้างออกได้หมดเห็นไหมนี้ไปยันใหญ่การเมสุมิชาชาจานก็เหมือนกันก็หน้าสิบหน้าสิบเอ็ดมาอธิบายอีกเห็นไหมแต่ทีนี้ก็จะเอาข้อความที่ไม่ซ้ําไม่ซ้ํากันมาเท่านั้นเอง ทีนี้เลยไปหาอภิชานะปะหาณการละอภิชาก็เป็นศีลเเวรมณีคือการเว้นจากอภิชาก็เป็นศีลเจตนาที่เป็นค่าศึกต่ออภิชาก็เป็นศีล ส, สังวรเนไมไม่ล่วงละเมิดนะความสำรวมในอภิชาก็เป็นศีลอวีติกรรมะความไม่ล่วงละเมิดต่ออภิชาก็เป็นศีล คำว่าละอภิชาเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องละอภิชาธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออภิชาได้แก่อะไรนะอนาพิชานะเก่งมากเลยอนาพิชานะเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องละต่ออภิชาตัวอนาพิชาเป็นตัวละอภิชาอิชาอย่างเห็นนอนาพิชานี่ยังไงครับอโลพาณ คือตัวนี้อโลภาเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยเห็นง่ายนักนักดูดูนะนในชีวิตเราก็โลอโลอะโทส่ายังเห็นชัดเจนนะอโลพานี่ยนะไม่ติดไม่ยึดไม่ไม่เข้าไปมีการสละด้วยมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่มีสิท์แล้วมีการสละมั้งอโลพาเนี่ยเห็นยากเลยไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดไม่ชอบไม่รักไม่ที่เป็นลักษณะมโนกรรมอนะประเภทคิดจะให้อ่ะ ไม่ค่อยมากหรือบางทีอะโลภาเนี่ยนะท่านจะเด่นในลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของอสุภาเป็นต้นเนี่ยนะอะโลภาเนี่ยจะเด่นในธรรมะประเภทนั้นที่เกิดร่วมกับอารมณ์ประเภทเป็นไปกับอสุภาเนี่ยอะโลพาจะเด่นมากเนี่ยนะถ้าเป็นถ้าเป็นโลภาขอามันมันดึงอารมณ์เข้ามาใช่ไหมครับแต่พอพออะโลพานี่หรือรอนัพิชานี่มันคือวาง ไ, ไว้เชิงผลักแต่ว่ามันไม่ดึงไม่ดึงมาคือก็คือวางไว้ตามเดิมนัาา่นแหละ แต่ถ้าผลักนี้เลยนะพยาบาททันทีคิดปฏิทุสร้ายในอารมณ์เป็นโทสะเห็นนะแต่ก็คือเห็นอารมณ์ก็วางไว้อย่างนั้นแหละแต่หมายคําว่าไม่ใช่ไม่รู้อะไรนะเป็นเรื่องของกุศลจิตที่รอบรู้อารมณ์นั้นอย่างดีแล้วก็ไม่ยึดติดในอารมณ์นั้นเห็นนะแต่ก็จะเห็นอารมณ์นั้นในลักษณะถึงความเป็นของปฏิกรูนส่วนใหญ่เห็นนะเรียกว่ามองเห็นอารมณ์นั้นอย่างตลอดสาย แล้วก็ไม่ยึดติดในอารมณ์นั้นแล้วก็ <c oughs> เรื่องอธินาทานนะฮะกับกับอภิชาเนี่ยมันมันดูดูแล้วมันคล้า ย, ายกันโดยมูลนี่เหมือนกันโดยเวทนาก็ <c oughs> เหมือนกันเนี่ยนะโดยโทษก็เหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าที่แตกต่างกันเพราะว่าอภิชานั้นเป็นง่ายกว่า สามารถทําได้มากกว่าไอ้อธินาทานแต่อธินาทานเนี่ยมีโทสะเป็นเป็นมูลได้เป็นมูลก็ได้ได้แต่อันนี้อภิชาไม่มีโรลภาย่างเดียวโลภาย่างเดียวอ<ด>ันค <โล S 2> ือโมหะนี่เป็นสาธารณังั้นเลยในในบาปทั้งหมดนะไม่นับตัวเองอ่าใช่ใช่อภิชานี่มีโมหะเป็นมูลนะแต่ถ้าอันบนนั้นมีโทสะแต่อันล่างมีมีโทสะแน่นอนแต่ว่าอภิชานั้น มีองค์ส อ, องนะวัตถุอื่นแล้วน้อมมาเป็นของตนคือแล้วน้อมมาเป็นของตนครบองคแล้วถ้าจิตเชน่นนนั้นสา ม, มารถให้ผลนําเกิดได้แล้วนะไปเห็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็น้อมเข้ามาเป็นของเราเลยนะดูมันง่ายลเลยโมโนกรรมนี่ น, นิดเดียวนั้นเองก็บาปมันทําไม่ยากนะถ้าคิดจะทำเนี่ยนัน่งคิดทั้งมันให้เป็นบาปทั้งมันก็ได้บุญก็ทำได้ง่ายเหมือนกันแต่ทีนี้ว่า ไอเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาเป็นของตนเนี่ยบางคนเนี่ยมีลักษณะแบบนี้แรงกล้ามากเห็นปากกาคนอื่นเนี่ยมันอันนี้ต้องเป็นของเราให้ได้นะไหนโดยทุจริตก็คือไม่ได้คิดแบบแบบทุจริตเจรพาทีนี้พอทวารของอภิชาเรื่องเป็นกายทวารก็ได้ใช่ไหมพอน้อมเข้ามาเป็นของตนแล้วก็ด้วยอภิชานั่ยแหละเป็นเป็นมูลเนี่ยนะหรือว่าอภิชาเนี่ยเป็นเหตุก็ทําให้ ไปขโมยมาถ้าขโมยลักษณะนี้เรียกว่าอาภิชาณนะไม่เรียกอธินาทานขโมยก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราอยากได้ของอะไรจากคนอื่นนี่นะมีอภิชาแล้วนอเมื่อเราทำไมจะได้อันนี้นะแล้วก็ใช่กลอุบายที่จะเอามามันก็ไม่เชิงที่จะเป็นอธินาทานรู้ว่าของมีเจ้าของจิตคิดจะรักก็อธินาทานนั้นอนะ่ะกลไกของอธินาทานเนี่ยกับอภิชาเนี่ยนะคล้ายคลึงกัน แต่ว่า อ, อภิชานั้นตัวองค์ธรรมได้แก่ตัวโลภะ hmm. อธินาทานองค์ธรรมได้แก่เจตนา hmm. อะ น, นะองค์ธรรมคนละองค์ธรรมเลยสภาวะคนละสภาวะ hmm. ถ้าอธินาทานเน้นที่เจตนาอย่างเดียวแต่ถ้าอภิชานเน้นที่โลภะที่น้อมเข้ามาเป็นของตนเนี่ยนะแต่ถ้าเจตนามันไม่น้อมใช่หมเจตนาก็คือหนึ่งสิ่งของมีเจ้าของรู้ว่าของมีเจ้าของ จิตคิดจะรักพยายามของเคลื่อนจากฐานแค่ว่าถ้าเป็นขโมยหนังสือเนี่ยนะหนังสือพ้นแค่เส้นผมหนึ่งเนี่ยนะพ้นจากฐานเดิมเส้นผมเดียวก็ครบองละเจตนาอ น, นันต์ถ้าสา ม, มารถให้ผลน้าเกิดได้แล้วเนี่ยนะถ้าครบองค์ยคือขโมยสําเร็จหรือไม่สําเร็จแบบที่เรียกว่าสมมติว่าเอ๊ะมาเห็นหนังสือเนี่ยหรือเห็นแก้วน้าเนี่ยเห็นนะเอ จะรักละของคนอื่นนี่เรารู้แล้วใช่ไหมเห็นไหมเขาห่วงแหนักรู้ด้วยทีนี้จิตมันคิดจะรักพยายามนลยกขึ้นเคลื่อนจากฐานเนี่ยนะเจ้าของเขาเห็นนึกแล้วก็จับดูเสหนแล้วก็วางไว้อันนั้นถือว่าเป็นอาทีนาทานเรียบร้อยแล้วน ะ, ะถ้ามีมูลค่าถ้าเป็นพระพิสุทธ์ถ้ามีมูลค่าครบห้ามาศกก็ปาราชิกเลยอวิสาสานี่หมายคถาว่าคือสับ ของที่ถือวิสาสะเนี่ยนะโดยมากเขาบอกว่าเมื่อเราใช้แล้วเขาดีใจอ่ะของประเภทนั้นเรียกว่าถือวิสาสะยกตัวอย่างนะว่าเมื่อพระพิสูจน์เนี่ยนะถือวิสาสะของเพื่อนพระพิสูน์เนี่ยนะพอองค์สมมติว่าของพระเพื่อนถ้าของมาเอามาใช้เนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งคือท่านดีใจนแล้วก็เคยเอ่ยปากเคยอะไรกันไว้เนี่ยนะประเภทนั้นเป็นลักษณะของวิสาสะกลับมาภิ อ่ากลับมาอภิชาอีกทีนะกับอธินาทานครัก่อนที่จะล่วงเป็นอธินาธานนั้นแสดงว่ามโนกรรมมีแล้วคือถ้าเน้นไปที่เจตนาก็ไม่ใช่มโนกรรมนะถ้าเน้นไปที่โลภะจึงจะเป็นมโนกรรมแต่ในขณะเดียวกันนั้นขณะที่อธินาธานก็ไม่ใช่ไม่มีโลภะมีแต่โลภะไม่โดเต่นเนี่ยนะ มายควว่าอทินนาทานเมื่อเผชิญกับวัตถุปั๊นี่นะฮะก็ปุ๊ปับ๊บตัดจินใจเข้าไปถึงวางแผนก็เป็นอาทินนาทานถึงวางแผ น, แผนก็เป็นอาทินนาทานแต่ในขณะวางแผนเนี่ยเป็นอภิชาไหมครับดูดูแล้วมใกล้เคียงจังเลยแต่ใกล้เคียงกันนะคือถ้าโลภามันมีกําลังมากก็ก็เป็นอ่ะเพราะฉะนั้นจึงจัดออกมาเป็นเจตนาสีนกับเจตสิกสินด้วยเหตุผลอันนี้เจ่ไห ว่าตัวไหนมันเด่นะนะเนีเน้นไปที่เจตนากับเน้นไปที่โลภะเน้นไปที่เจตสิกดวงอื่ น, นเน้นเจตนาเน้นเจตนาซึ่งมีเป็นตัวสําคัญนในขณะเดียวกันขณะที่โลภะเกิดก็ไม่ใช่ไม่มีเจตนามีแต่อยู่ในฐานะอภโรหารทธิ์เนี่ยนะคือไม่พูดถึงนะหรือมีในฐานะเป็นสัมปยุตธรรมขณะที่มีเจตนาก็ไม่ใช่ไม่มีโลภะมี แต่ว่าโลภะนี่ในฐานาสะสัมปยุตธรรมคืออภิชาเนี่ยมีจริงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ล่วงไปถึงอธินาฐานทุกครั้งเสมอไปถูกไหมครับเช่นพานถูบกบางทีก็นึกชอบชอบเออเป็นเร้าก็ดีเหมือนกันแล้วถ้าลักษณะนี้นนนก็เป็นอภิชาแต่ว่าไม่ครบองค์นะคือคือคือตัวที่เป็นอภิชาเนี่ยสภาพจิตเนี่ยนะจะหยาบนะเป็นโลภะค่อนข้างหยาบเลย อพิชชาถ้าไม่ครบองค์ดูดูแล้วมันจะครบองค์ทุกแทบทุกทีไปนะครับหนึ่งมีวัตถุถูกไหมครับแล้วน้องนอนมาเป็นน<อ>้องามาเท่านั้นเองะหรือว่ามีอภิชาหรือว่ามีโลภเฉยเฉยเออนึก ก, ก็สวยดีแต่ไม่เด็นนึกน้องมาก็มีมีใช่ไหมแต่นึกมา<ะ>เออมาเป็นเราก็ดีเหมือนกันก็มีแต่พอนึกเสร็จแล้วกเอ อ, อเลยไปก็มีหรือว่ า, าน้องมาแล้วเออเอาจนได้ก็มี ทำให้เห็นว่าอบายนี่ไปไม่ยากนะมิหน่านะว่าพวกองค์เนี่ยบอกว่าแหมแผ่นดินกับฝุ่นในเล็บจริงๆนะเพราะจิตชนิดนี้มันค่อนข้างเกิดมากเพราะที่ผู้ที่ไม่เห็นโทษนี่นะก็ลาบากเหมือนกันอันในอธินาทานิกขาบทนี่ท่านให้หนายไว้เลยว่าเห็นของคนอื่นนี่ให้นึกเหมือนกับเห็นงูงี้นนะอันะมันจะได้ไม่มีจิตคิดจะไปรักไปอะไรเป็นต้นน่นนะ แสดงว่าการที่เราจะจําแนกอาทินาทานกับอภิชาเนี่ยต้องไล่มาตั้งแต่ธรรมโตโดยธรรมะแล้วก็มูลโตมูลโตก็ต่างกันอ่ะมูลโตก็ต่างกันใช่ไหมฮะแล้วก็เวทนาโตนี่ก็ต่างกันก็คือถ้าอาทินาทานก็อาจจะโทสะด้วยได้ไม่ต่างอารมณโตเหมือนกันเหมือนกันอันเดียวกันไอโกธาสโตก็ไม่รู้อะ เขาว่ารวมไปสองอย่างอันนั้นผมผมก็นึกผมก็นึกไม่ออกอะไรก็ไม่รู้ครัว่าอภิชาก็เป็นทั้งเป็นทั้งกรรมบทด้วยอภิชานะเป็นทั้งกรรมบทด้วยเป็นทั้งมูลด้วยในเรื่องโกทาสโตก็ไม่ค่อยไม่ค่อยออกกันก็ถึงว่าที่ผมามาก็ว่าเอ้มันลึกซึ้งกันลึกซึ้งมพรารู้ได้ยากมั้งรู้ได้ยากเพราะลึกซึ้งอันนี้ก็ลึกซึ้งเพราะรู้ได้ยากเหมั้ง